4. ปทมามหาธนสูตรว่าด้วยผู้มีธรรมเป็นผู้มีทรัพย์มากสูตรที่หนึ่งหนึ่งภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการเรากล่าวว่าเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคะามากมียศใหญ่ธรรมสี่ประการอะไรบ้างคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้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 4. ประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจไม่ขาดเป็นไปเพื่อสมาธิภิกษุทั้งหลายอริยะสาวกผู้ประกอบได้ทำสี่ประการ น, นี้เรากล่าวว่าเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมียศใหญ่ปฐมมหัตถนะสูตรที่สี่จบ 5. ทุติยะมหัตถนาสูตรว่าด้วยผู้มีธรรมเป็นผู้มีทรัพมากสูตรที่สองหนึ่งภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการเรากล่าวว่าเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพมากมีโภค้ามากมียศใหญ่ธรรมสี่ประการอะไรบ้าง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 ทุติยมหัตถนสูตรที่หจบ